คุณค่าของใ จ, จ้ะต่างกันอยู่มากนี่เลยเป็นสิ่งที่ทำใจให้ลดคุณค่าไม่วงปฏิบัติแต่ทำเป็นเครื่องส่งเสริมคุณค่าให้เด่นยิ่งขึ้นคำว่าทำก็คือความพยายาม เริ่มมาตั้งแต่ศรัทธาวิริยะสติแล้วก็เป็นสมาธิจากนั้นก็เป็นปัญญานี่นคือเครื่องระดับใจให้มีคุณค่าถ้ามันมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพพาะกิเลสซึ่เป็นธรรมชาติ ปิดบังห่มห่อดีโดยปกติแล้วก็ในปรากฏว่ามีคุณค่าแต่อย่างใดนอกจากลดคุณค่าของตัวเองลงไปดนั้นการปฏิบัติจึงต้องมีการอนุมัติระหว่าง ตั้งท่าตั้งทางอยู่ภายในจิตเสมอเท่านเดียวกับเขาเข้าสู่แนวรบจะไปนอนใจหรือว่าประมาทเดินเลิกเผลอสิติระตังเที่ยวเถือเที่ยวเตยเหมือนเขาเล่นีิเกียละครนอี่ไม่ได้ต้องเขียท่าเป็นอย่างน้อย มากกว่านั้นก็าตายมีเรื่องของที่เหลืยอยิ่งเป็นเรื่องที่คล่องแค่วว่องไวไม่มีอะไรจะเกินอยู่แล้วและไม่มีสถานที่อยู่ด้วยอยู่กับใจของสั์โลกจึงทำใจสั์โลกให้มืดเย็นเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับฟุตบอลนั่นะ ขึ้ไปขึ่งมาฮาจุดที่ไมายไม่ได้ไออกนอกวงก็เตะเข้ามาเข้าในวงแล้วก็เตะออกนอกวงก็เตะเข้ามาดูขึ้ น, นั้นอิจใจที่อยู่ใต้อำนาจของกิเลสประเภ ท, ทต่างๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่กิเลสเอเอเตะพุ่นบอลไม่รู้จับไม่รู้ รึ้ว่ามีความเจ็บปวดแสบร้อนเพราะการถูกเตะราดับใจนี้เป็นตัวรู้อยู่แล้วจึงต้องรับรู้และรับทุกจากสิ่งที่อิงกระทบกระเทือนทั้งออกจากภายในไปสู่ภายนอกนำอารมณ์ภายนอกเข้ามามีเรีว่าเตะเข้าเตะออกเสี่ยงนั้นหาความสงบเย็นไม่ได้ เว้นแต่หลับแต่เวลาหลับนั่นก็เป็นเวลาพักวิริย์ก็พักธาตุฐานก็ได้พักใจเราเพงพอสบายในขณะที่หลับสนิทนั้นการก็ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องสถานที่อะไรทั้งมวลไม่เข้าไปเกี่ยวข้องนั่ว่า สิ่งภายนอกคือทรัพย์สมบัติเงินทองเพื่อนฟูงสงี่เขาอยู่ครอบครัวยอดนงินขกงสามีภรรยาลูกเล็กเด็กแองเด็กแดงสมบัติปริวันมีจำนวนมากน้อยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเลยอะ น, นหากจะพูดพอพูดเทียบได้บ้างก่อนนิพพานของคนมีกิเลสก็ เวลาดับหลับสนิทนั่นแหละตอนนั้นไม่มีอะไรไหวติงเลยขึ้นชื่อว่าสมมตุติแม้อวิชาที่นอนเนื่องอยู่ภายในจิตใจหรือฝังแน่นภายในใจก็ไม่แสดงตัวคนเราถ้าลงเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใครจะไปห่วงใยในสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เกิดกองทุกข์เพราะความกระเพื่อมออกมาเป็นเรื่องความทุกข์ทั้งนั้น คิดถึงเรื่องอะไรก็าตามถึการคิดถึงเรื่องเว ล, เวลาการสถานที่วัตถุสิ่งของเพื่อนฝูงในบรรดาที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นเรื่องเขเย่าก่บควรจิตใจรับความลําบากเมื่อเทียบกันกับเวลาหลับสนิทแล้วใครไม่มาสนใจกับสิ่งนนเนี้เพราะเป็นสิ่งก่อควรขณะที่หลับจะหลับไปกี่กับกี่กันก็าตาง ไม่มีความรู้สึกว่าเร็วหรือช้าเพราะคำว่าเร็วคำว่าช้านี้เป็นเรื่องของสมมติคำว่าสุขว่าทุกข์ทั้งหลายก็เป็นเรื่องของสมมติตอนนั้นจิตจะไม่มารับราพความสุขความทุกข์าจากหยาบเหล่านี้เลยแต่จะเป็นธรรมชาติของจิตอยู่โดยปกติไม่มีความห่วงใยปวกพัน ไม่สำคัญมั่นหมายอะไรทั้งสิ่งเหลือแต่ความรู้ที่ละเอียดซึ่งไม่แสดงอากัปกิริยาใดๆเลยจึงพูดไม่ออกพูดไม่ได้ในขณะที่หลับนั้นว่าเป็นอย่างไรเพราะไม่มีสมมุติเข้าไปเกี่ยวข้องนี่ครับจะเรียกว่านิพพานของปุถุชนพอจะ สัมผัสได้ในขณะที่หลับสนิทไม่ได้หมายถึงการหลับแล้วแล้วมือเพ้อฝันออย่างนั้นนั่นไม่ใช่เป็นการหลับสนิทท่าไม่ได้พักตัวสนิทจิดได้ก็ไม่ได้พักตัวสนิทการหลับสนิทนั่นแหละเป็นการที่ปล่อยทั้งหมดไม่ว่าใครจะเป็นจะตายไม่ว่าใครจะสุขจะทุกข์ไม่ว่าจะร้อนหรือหนาว มันขึ้นชีว่าสมมูรณ์แล้วไม่เกี่ยวกับความหลับสนิทนั่นเลยเป็นธรรมชาติของตนโดยโดยลําพังนิเรศประเภทต่างๆก็ไม่แสดงตัวเรียกว่านิเลศก็หลับพักตัวเวลานั้นพอจากนั้นมาแล้วก็ดิ่ดก็ดิด่ดกระทบกระเทือนนั้นไม่อยู่ตลอดหากไม่มีการหลับนอนกันบ้างเลยนี้ มนุษย์ลรานี่จะทนไม่ไหวมีการหลับกันนอนมจึงพอไปพักผ่อนสะดวกสบายมีที่ตรงที่วางบ้าง <c oughs> เราลองเทียบดยูขณะที่หลับสนิทนั้นมีใครเสียดายอะไรบ้างจะหลับไปกี่กับกี่กันก็าตามก็ต้องเป็นหลับ ธรรมชาติแห่งความหลับอยู่ด้วยดีไม่มีอะไรยึ่ยักแยัก ย, กยกขึ้นมาให้ว่าช้าหรือเร็วให้ว่าสุขหรือทุกข์ใหว่ากบบังวลวุ่นวายหรือเพลิดเพลินเศร้าโศกอะไรไม่มีเลยในความหลับลโลกหลับได้ด้วยกันรู้ได้ด้วยกันแต่จะพูดรูปลักษณะของคำหลับสมิทนั้นพูดไม่พูดไม่ได้ด้วยกันทางนั้น แตปฏิเสธความหลับสนิทนั้นปฏิเสธไม่ได้เพราะความหลับสนิทนั้นเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่พิเศษจากความเป็นอยู่ทั้งหลายของจิตนี่คราพูดถึงความสนิทของใจทั้งที่มีกิเลสอยู่ก็ ม, มีความสนิทละเอียดได้ขนาดนั้น การทำกิเลสให้สิ้นสูญลงไปจากใจจนไม่มีเหลือเลยดังใจพระอรหันต์ท่านจะเป็นอย่างไรขณาที่จิตดับสนิททั้งที่มีกิเลสก็เป็นสิ่งละเอียดจนถึงกับเราพูดไม่ได้อาครั้งที่เราก็หลับสนิทโดยรู้รสชาติแห่งความหลับสนิทอยู่ด้วยกันทุกคน จะจะนำมาพูดหรือบางบรรยายนั้นบรรยายไม่ได้บัญญายนได้ก็เพียงที่แค่ที่พูดมานี้เท่านั้นคือไม่เกี่ยวข้องกับอะไรการการะทำที่วัตถุสิ่งของเงินทองอยากมิตรเพื่อนฝูงซึ่งสิ่งที่และสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องกันมาม า, มากน้อยดับไปหมดในขณะนั้นต่อยหมดแล้วพูดได้เพียงแค่นั้นจะจะพูดธรรมชาติที่ปล่อย นั่นอ่ะพูดไม่ถูกที่สนิทในตัวเองพูดไม่ถูกจิกที่ซึ่งจากที่เหลืออาจวานแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่ไปยล้วพูละเอียดก็จนสุดละเอียดแล้วเพราะสิ่งสมมติไม่มีอยู่ในนั้นเลยหมดไปจริงๆ อวิชชาไม่ได้ว่าเพียงว่านอนเหมือนสงบตัวเหมือนหลับส น, นิกแล้วหมดไปเลยจริงๆเป็นอย่างไรที่แสดงความ ย, มย า, ามหยากออกมาโดยประการต่างๆนั้นเป็นเรื่องของจิตต่างหากนะจนติดแท้เป็นอย่างนั้นเลย เพราะฉะนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆในขณะที่เราบำเพ็ญอยู่โดยไม่หยุดไม่ถอยอาการต่างๆจะต้องแสดงความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจิตวุ่นว า, านลำคานจิตไม่เคยสงบตัวเลยนี่ก็เป็นอาการหนึ่งของกิเลสทำงานให้กระจายออกทางกระแสจิตคิดไปในแง่ต่างๆแล้เป็นทุกข์ขึ้นมาพอาจิตสงบตัวเข้าไป มีก็เป็นอาการอันหนึ่งอีกเรื่องอาการของจิตสงบตัวเข้าไปแค่นั้นแค่นั้นออกทางด้านปัญญาเป็นการบุกเบิก็เป็นอาการไปเรื่อยจิตก็มีความเปลี่ยนแปลงจากสิ่งปกคุม ห, อ, หอตัวเองมันเปลี่ยนของมันด้วยอาการเหล่านี้ไม่ใช่จิตจะแค่เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนแต่อาการที่เกี่ยวข้องกับจิต เช่นเดียวกับเราเปลี่ยนเสือ้อเปลี่ยนผ้านี่เองเปลี่ยนเครื่องนุ่งหง่มใช้ใช้สอใสตัวเราจริงๆก็คือเราไม่ได้เปลี่ยนไปตามเสือ้อตามผ้ากางเต้นอะไรเลยโดยเหตุนี้การที่จะพูดถึงบรรดายเรื่องความมือถือซึ่งบรรดาไม่ถูกรู้อยู่เพียงไรก็บรรดายไม่ถูกเช่นเดียวกับ ความหลับกันอย่างนี้เป็นอย่างไงบรรยาย ไ, ไม่ถูกเพียงขั้นสมมุติการหลับกันอย่านี้ก็เป็นนั่งอยู่ในวงสมมุตินายังบรรยาย ไ, ไม่ถูกถ้าจิตที่หยุดพ้นไปแล้วจากสมมุติทั้งมวลจะไปบรรยายได้ถูกอย่างไรทั้งที่รู้อยู่ทรงอยู่เป็นด้วยความมือสุดนั่นแหละนั่นก็พูดไม่ถูกถึงจะพูดไม่ได้ก็ตาม แต่ธรรมชาตินั่นก็คือธรรมชาติที่พอตัวแล้วหายสงสัยใทุกสิ่งทุกอย่างตัดตรงลงหมดแล้วขึ้นชัว่าปัญหาเพราะปัญหานี้เกิดขึ้นจากกิเลสทำจึงต้องกลายเป็นปัญหาไปตามปัญหาของธรรมก็คือปัญหาแก้กิเลสอุบายของธรรมแก้ที่ปัญหาเป็นเรื่องของกิเลสนั่นแหละพอ งนั้นสุดลอยไปหมดแล้วก็ไม่มีไม่มีปัญหาอะไร น, นี่เราจะจึงเห็นความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนสัตวโลกต่างจตอุบายวิธีการพื้นพื้นไปโดยลำดับตั้งแต่การให้ทานการรักษาศีลการภาวนามีแต่อุบายวิธีการปราบกิเลสไปโดยลาดับลำดับ การให้ทานมันทำไมถึงต้องให้ทานมัน ม, มีอะไรที่เป็นค่าสีกต่อทานอยู่นั้นธรร ม, ามาทานการสงเคราะห์ก็เป็นธรรมประเภทหนึ่งแล้วนอกจากนั้นมันเป็นเรื่องปราบปรามความตั้หนีที่เหนียวความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นคู่กันกับความโลภมากเมือ่อมีเมืองพอความเห็นแก่ตัวความอารัดเอาเปรียบ พคดโกรงรีบไถล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสนี้ทั้งหมดฐานะการเสียสลัดจึงเป็นเครื่องปราบกิเลสเหล่านี้ไปโดยลําดับจนกลายเป็นมิสัยขึ้นมาสุดท้ายก็สลัดได้หมดอืเราพูดอย่างห ย, ยาบๆหรือว่าพูดอย่างย่อๆอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนตรงนี้ตรงมุมล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการปราบกิเลสทั้งหมด มันมีหลายประเภทธรรมที่กล่าวมาที่ว่าบรรยายไม่ได้นี้ไม่ได้นอกเหนือจากใจดวงที่รู้เห็นหนึ่งอยู่เวลานี้ขอให้ทุกท่านตรงทำความเข้าใจกับความรู้นี้ว่าสามารถทรงได้ทุกสิ่งทุกอย่างทรงทำก็ได้ส่วนกิเลสนั่นรับรองกันมาแล้ว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 ต่อเมื่อได้ปรากฏขึ้นกับใจแล้วย่อมเกิดความเชื่อตามความจริงนั้นแล้วตามรสชาติแห่งธรรมที่ปรากฏตามขั้นภูมิของผู้ปฏิบัตินั่นก็เป็นเหตุให้เกิดความเชื่อให้เกิดความอยากได้ให้เกิดความอุตสาห์พยายามให้เกิดความภาคเพียรเพื่อจะยังทําำหนนั้นให้คงเส้นคงวาแล ะ, จะเจริญ ขาว่อนขึ้นภายในจิตใจวิรุ่งเรืองขึ้นภายในจิตใจโดยลําดักมีรถทำก็เปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆตั้งแต่ขั้นหยาบจนถึงขั้นกลางขั้นละเอียดเปลียนอยู่ภาณกิจินั่นแหละเรื่องความเชื่อก็หนักแน่นเข้าไปโดยลําดับเมื่อความเชื่อฝังแน่นลงไปในธรรมทั้งหลายแล้วความภาคเพียรความมุสาพยายามก็เป็นสิ่งที่จะตามกันไป เป็นสิ่งที่ฝังแน่นไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านผู้ประกอบความเพียรด้วยความเห็นโทษแห่งกิเลสทั้งหลายือกองทุกในวัฏสงกับความเห็นคุณค่าแห่งธรรมขึ้นประจับอยู่ภาณใจิตใจนั้นท่านจะมีกำลังกล้าในเรื่องทุกแง่ทุกมุมบรรดาที่จะยังท่านให้เก้าพ้นไปเสียโดยเช่งเฉยจากกองทุก การปฏิบัติเคยพูดเสมอรัติให้ถือเป็นเครื่องมือประจำตนอย่าได้ปล่อยได้วางไม่ว่าจะทำกิจการงานใดรัติให้สุดรู้สึกตัวว่าทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้ เนี่ยเป็นพื้นของสติฝึกไปตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่วิธีการที่กล่ามันโดยลำหนักอยากะไปแบบเพอเล้อต่างๆอันเป็นนิสัยของจิตลุไม่ใช่นิสัยของผู้ฝึกอบรมธรรมมีสติสตางคําำบริกรรมก็ให้อยู่ในคำบริกรรม อยู่กับสินงใดก็ให้อยู่ด้วยสติสติเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวที่จะฟื้นทำทั้งหลายขึ้นมาให้โดยชมไม่นอกเหนือจากสตินี้ไปได้เลยจากนั้นก็ปัญญาเป็นเครื่องขุดค้นสติกับปัญญานี้เป็นธรรมสำคัญมากในวงความเพียรของนักปฏิบัติทั้งหลาย ความทุกข์ทุกเพื่อสุขมีจุดที่หมายไม่ไร้ค่าไม่ขัดทุนชุนดอกไปประกอบเหมือนทุกข์ทั้งหลายที่เป็นไปตามหน้าของยี่เหล่พาให้ทุกข์ทุกข์เพราะความเพียนนี้เป็นทุกข์ที่มีหวังเป็นทุกข์ที่มีออกมีเหตุมีเหตุมีผลเป็นทุกข์ที่มีหลักเต็น ไม่ใช่ทุกแบบลอยหลงทุกหาจุดหมายปลายทางไม่ได้หาการหาวิลั่นเวลาไม่ได้หรือทุกแบบกิเลศพาให้ทุกนั้นใครก็ทุกด้วยกันทั้งโลกแต่ไม่มีความจกสึ้นลงได้ด้วยความทุกต่างๆซึ่งวิเลศนั้นผิดขึ้นมาเลยแล้วหลัการทุกด้วยความภาคเพียนเพื่อจะแก้วิเลศนั้นมีหนักมีเบา และมีสิ้นสุดยุติลงไปได้ขณะที่กิเลสมันหนักมันหนาก็ต้องไปต่อสู้กันหรือว่าแบบฟาดเหวี่ยงกันกับกิเลสด้วยกําลังอย่างดุเดง่งถาดโผลบางคราบกันถึงเป็นถึงอายก็ไม่บางคับอยู่ภายในใจนั้นบางครั้งยังต้องเอาร่างกายเป็นเครื่องมืออีกเช่นเดินนา น, า น, านๆก็ร่างกายเป็นเครื่องมือ เดินจงกลมนานๆก็ใช้ร่างกายด้วยนั่งภาวนานานๆก็เอาร่างกายเป็นเครื่องมืออดอาหารหลายๆวันผีวันก็ตามด้วนแน่แต่เอาร่างกายเป็นเครื่องมือต่อสู้กับที่เลหล็ทั้งอย่างก็มีใจโดยลําพังทํางาน ต่อสู้กับที่เลยไม่อาศัยกายก็ได้ทุกทั้งมวลที่ปรากฏขึ้นมาเกี่ยวกับความเพียเพรเฉพาะอย่างยิ่งทางร่างกายก็มีจุดหมายปลายทางที่จะสิ้นสุดยุติกันได้ทุกทางใจที่ต่อสู้กับที่เลย ก็มีเวลาเวลาที่จะสิ้นสุดวิตติลงได้แล้วทุกทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการประกอบความเปลี่ยนทางกายก็ตามทางใจก็ตามมีเวลาที่จะลดหย่อนผ่อนตัวไปได้โดยลําดับลาําดับจนกระทั่งถึงการสิ้นสุดวิตติลงไปในทางความเปลี่ยนเพราะที่เรศสิ้นสุดไปหมดแล้วนี่อะไรเรียกว่ามีขอบมีเศษมีจุดหมายปลายทาง ไม่ได้เป็นทุกข์อยู่แบบลอยลงหาจุดหมายปลายทางไม่ได้เมื่อนั้นกิเลสฝาให้ทุกข์เราเป็นนักปฏิบัติจึงควรนำมาเทียบเทียงกันแล้วยอมทุกข์เพราะความเพียรไม่มีความอิจฉาอาจัยเพราะความอิจฉาราจายนั้นไม่ใช่เรื่องของธรรมเป็นเรื่องของกิเลสคอยสอดแทรกในลงความเพียนของเราต่างหาก้ากันฆ่าใจเอาไว้ สิ่งเหล่นี้ไม่รู้ถ้าไม่ได้เจอหน้ากันซะก่อนไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของจิตแสรกแสงธรรมสวมรอยธรรมผู้ปฏิมาทั้งหลายจริงย่าหย่อนอ่อนกำลังและถอยหลังไปเลื่อยจนกระทั่งถึงล่มละลายหรือล่มเหลวไปก็เพราะเชื่อกลุ่มมายาของจิตที่แทรกที่แซงเข้ามานี่แหละ เราจะเห็นได้ชัดในเวลาหยิกมีหลักมีเก่งด้วยอัดด้วยทำความทุกข์ลำบากมากน้อยเพียงไรใจจะไม่มาสนใจกับเรื่องทุกข์เหล่านี้เลยนอกจากสนใจต่อเหตุต่อผลต่ออดต่อธรรมต่อกิเลสประเภทใดด้วยสติปัญญาสัทธาความเบี่ยเพียนในแง่ต่างๆที่จะห้ามหันกันลงไปโดยถ่ยเดียวเท่านั้น ไม่มาคําหนึ่งถึงเรื่องความทุกข์ความลำบากนี่นี่เป็นสิ่งที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนเวลาพอผ่านพ้นสิ่งนั้นกวลมายาของทิเดศท่านนั่นมาได้แล้วความวินาละอาใจต่อความทุกข์ความลำบัากเพราะการประกอบความเพียรนี้น้อยลงไปโดยลํา ด, ดับๆจนถึงกับไม่มีนอกจากนั้นอย่างด้ล้างเอาไว้น่ะไม่ล้างมันไม่มันเกินประมาณ การประกอบความเพียนกล้าเกินไปก็ผิดฟังแต่ว่ากล้าเกินไะปกล้าธรรมดาไม่เป็นไรกเกินไปนี่ผิดกับหลักมัทธิมาที่ควรจะให้พอเหมาะเด็ดขนาดไหนก็เด็กแต่ถึงวาวราที่จะลดด่อนผ่อนพันกันตามสถานการก็ต้องผ่อนพันกันไปด้วยสติปัญญาของตัเอง เราเห็นได้ชัดว่าความทุกนี้ไม่เป็นอุปสรรคไม่มากีดขวางทางดาเนินเพื่อตอบถอนตนเองเลยมีแต่ความก็ยิมความดูดดื่มในความเพียนทั้งหลายแล้วปรากฏผลขึ้นมาให้ชมเรื่อยๆก็ยิ่งเกิดกำลังใจขึ้นมากปรากฏผลขึ้นมาเพียงไรก็เป็นคุณค่า ที่จะให้ถึงใจถึงใจเดินแนบบนานๆก็ยิ่งมีกำลังใจเพิ่มกำลังใจขึ้นนั่นแหละที่ว่าการประกอบความเพียงกล้าไม่มีคำว่าท้อถอยเป็นอย่างนี้การที่ทำยังไม่แทกถึงใจมีแต่กิเลสเป็นเจ้าอำนาจกดขี่บังคับนั้นพอกระดิกลงไปที่จะออกสู่ธรรมนั้นนี่ถูกกี่ถูกขวาง คัดค้านต้านทานแต่เราไม่รู้กลอุบายของมันก็ยอมมันแบบหลับสนิดหลักสนิดไปด้วยกันทั้งนั้นพอเมื่อได้รู้กนอุบายนี้แล้วมันแสดงอกท่าไหนรู้หมดด้วยนี้จึงได้เตือนหมู่เพื่อนสมอให้ได้รู้ดวงหน้าไว้ตั้งแต่บัดนี้อย่าให้มันกล่อมไปจนไม่มีเวลาตื่นนี่เลย น, นั้นย่อมเป็นคาสิทธกับธรรมอยู่ตลอดเวลาตั้งไหนแต่ไรมา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 รูปกลมายาการแสดงออกในเนี่ยต่างๆของมันจะ ต, ต้องเป็นเรื่องของมันอย่างออกหน้าออกตานี่แหละตอนนี้แหะตอนลําบากในการประกอบความภาพเปลี่ยนเดินจงกลมก็ขาก่อนไปเพราะกิเลสมันเหยียบออกขาอ่อนเท้าอ่อนจิตใจก็อ่อนเปียกไปถ้าจะข้าไปสู่ธรรมถูกกิเลสมันเหยียบ จิตใจเขาอ่อนเปียกไปตามศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาไม่ทราบมาตกไปทวีบไหนเหลือแต่ความเคิ่มหลับไปตามกิเลสทั้ทงนั้นการยอมกับกิเลสเป็นไปตามกิเรสไม่มีความอิ่มความพ อ, อมทีนี้กิเรสมันแข็งไปอย่างหนึ่งเราก็ไม่รู้ วิชาไม่ทันมันความรู้ไม่ทันมันมันให้เราได้บึกบืนไปตามมันขยันขันแข็งมีกำลังใจไปตามมันเราก็ไม่รู้มีกำลังใจไปตามกิเลสก็เพราะการเชี่ยมสอนตรงกิเลสกิเลสแทรกลงแทรกความหวังลงแทรกภาพมโนภาพลงไปให้ขาดหน้าขาดหลังขาดอดีตขาดอ น, นาคต สิ่งที่เคยผ่านมาแล้วควรเสียใจก็ไม่ให้มีความอิ่มพอคิดไปเมื่อไรเสียใจเมื่อนั้นแล้วไม่เคยคำนึงเลยว่าสิ่งที่คิดและเสียใจนี้เคยได้รับความกตุกข์ประทวนจากมันมาแล้วน่าจะเห็นโทษน่าจะเบื่อหน่ายน่าจะคลายความติดพันกับมันจะบ้างไม่มีมันว่าภาพขึ้นตรงไหนเป็นติด ทุกๆภาพทุกๆขณะนี่ว่าจะเป็นเรื่องอนาคตความหวังสร้างไว้แต่ตตตพัตแต่ผื่นแต่ไม่ใช่ความหวังที่จะเป็นไปในขอบในเขตในเหตุในผลให้เป็นที่ผืนใจได้ความหวังนั้นผลยุดท้ายก็หวังไปหาความล้มเหลวนั่นเองนี่เรื่องของชีวดตเป็นอย่างนี้ความหวังในธรรมไม่เป็นเช่นนั้นผิดกันมากทีเดียว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 ในขั้นเริ่มแรกที่จะไปรู้กลมายาของมันดังที่กล่าวมาเหล่านี้ยังต้องได้ฝึกสติอา้าวเชื่อครูเชื่ออาจารย์เชื่อศาสนาคือคำสั่งสอนของปพุตตจมาเป็นสิ่งที่เหนือกิเลสทุกๆประเภตคคำว่าวิเศษก็คือธรรมเท่านั้นวิเศษวิเศษไปโดยลำดับลำดาบ จ, จนกระทั่งถึงวิเศษสุดของธรรมก็คือธรรมเท่านั้นินเลสประเภทใดๆตั้งแต ยาบอยากจนถึงขั้นละเอียดสุดของกิเลสก็ไม่มีกิเลสประเภทใดเป็นประเภทที่เศสดเเลืออะไระจรึงต้องอาศัยธรรมนี้เข้ามาแยกมาแยกมาสอดส่องมากำจัดปัดเป่าด้วยท้าฝึกหัดในขั้นเริ่มแรกทุกก็ยอมทนทุกทุ ก, กไม่เป็นไรทุกนี้เป็นทุกเพราะการปฏิบัติเพื่อธรรม ทุกเพราะการต่อสู้กิเลสเพื่ออัดเพื่อทำต่างหะมาจะทุกเพราะถูกกิเลสล่าไปถูไปทุกเพราะการตะเกียกตะกายออกจากกิเลสด้วยอัดด้วยทำต่างหากจึงเป็นทุกข์ที่ควรจะยอมรับสําหรับผู้เชื่อหรือชาวพุทธเราเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติพยายามตั้งสติสตังจดจ่อต่อเนื่องกันกันกบงานของตน นล้จะเป็นการส่องทางเข้าไปจิตไม่เคยสงบก็จะสงบได้นะเมื่อกิเลสจางลงไปจิตย่อมสงบได้คำว่ากิเลสจางคืออะไรคือความคิดความปรุงแต่งต่างๆซึ่งไม่มีคำว่าใหม่ว่าเก่าไม่มีคำว่าเป็นเป็นเด่นเป็นของล่าสมัยเลยเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นไม่เอียมมาเสมออยาคิดกี่ครั้งกี่ขนตลบทบทวน ตำท่ำสักซ่ายิ่งกว่าตามรอยโคในคอกก็ไม่มีการเบื่อหน่ายอิ่มพอไม่เห็นว่าเป็นของเก่ามีแต่เป็นใหม่เลื่อยไปตื่นเลื่อยไปชื่วเลื่อยไปนี่เราพยายามที่จะเราพยายามด้วยสตินำธรรมเข้ามาเป็นเครื่องบริกรรมเพื่อจะทับความคิดทั้งหลายที่ไม่มีของใหม่ของเก่ามีแต่ของให้ติดทั้งนั้นนี้ให้สงบตัวลงไปด้วยสติ จะกำหนดภาวนาบทใดก็ตด้นั่นแหละทาเครื่องทับความวุ่นวายทั้งหลายคิดคิดได้ในเวลาเดียวทํางานหน้าที่เดียวในขณะที่คิดทำแล้วกิเลกก็คิดไม่ได้นอกจากเวลาความเผลอในการคิดทำเท่านั้นกิเลกก็แทรกขึ้นมาจะแทรกขึ้นมาได้ในเวลานั้นขณะที่เราคิดทำเอาทำลงประเหยียบยาำกันไปความคิดที่จะให้เกิด ความมุ่นวาวดังที่กล่าวมามีตั้งแต่ความคิดทางด้านอัตธรรมเท่านั้นความคิดตันนี้เป็นความคิดความปรุงที่จะให้ใจสงบไม่ใช่ความคิดตรุงของกิเลสที่จะพาใจให้ฟุ้งเป็นความคิดความปรุงที่จะทําใจให้สงบเพราะฉะนั้นคําว่าสังขารคือความปรุงปรุงทางกิเลสเป็นพิษขึ้นมาอย่ง ร, รงทางด้านธรรมะเป็นคุณของใจทําใจให้ดดเดี่ยวเช่นหนึ่งเราปรุงคําบริกรรมเป็นต้ น, นจะเป็นสังขารเหมือนกันก็ตามผิดกันที่อารมณ์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 การฝึกเบื้องต้นเป็นความลำบากเป็ น, นต้องเปิดช่องเปิดทางที่มืดเคยมืดนิดปิดตามานานพยายามไม่นอกเหนือจากความพยายามนี้ไปได้ต่อไปก็ค่อยจางไปจางไปสินมืดดำกาตาทั้งหลายนั้นความสว่างก็เริ่มปรากฏขึ้นภายในจิแต่ก่อนเป็นไฟทาวันดำก่อนเหมือนฐานไฟ ไฟนี้อยู่ก็แดงโลกนี่จีบหนิมันจะเทียบ ว, ว่าแดงโลกก็ได้เป็นไฟทั้งกามองดูนะฮะปกติมันก็ดำปี่เงิะหาความสว่างไม่ได้แต่พอความสงบใจได้ปรากฏขึ้นมาแล้วความสว่างก็ตามกันขึ้นมาปรากฏขึ้นมาแต่นั้นก็เรื่อ อยาไปคาดอาดีตอนาคตว่าเคยได้ปรากฏได้ประกอบความเปลี่ยนมาทั้งนั้นทั้งนี้แล้วความทุกข์ความยากความลำบากถ้าจะคิดเช่นนี้ให้ไปให้คิดถึงเรื่องการที่กิเลสทรมานเราบีบบังคับเราล้วนแล้วแตเป็นเรื่องของทุกข์ทั้งนั้นมีเคยทุกข์มามากแล้วทุกเพื่อเพราะเรื่องอ น, นั้นก็เคยทุกข์มาแล้วทุกเพราะเรื่อง น, นี้ก็เคยทุกข์มาแล้วทุกในอดีตกี่ปีกี่เดือนที่เราเลือกได้ก็เคยทุกข์มาแล้ว มันล้วนแลแต่กองทุกข์ทำให้อินทร์หนาละอายัยในเรื่องกองกทุกข์ที่กิเลสผิดขึ้นมานั้นดีกว่าที่เราจะมาคิดอินทร์หนาละอายัยตอบความทุกข์ที่กําลังต่อสู้ด้วยเลสด้วยความภาคเพี่ยนหรือด้วยอธรรมของเรานี่จึงเป็นความคิดที่ถูกนําความคิดนี้มาใช้เปลี่ยนแปลงความคิดของกิเลส น, นั้นออกไปผู้ปฏิบัติต้องใช้อุบายวิธีพี้ยงแพงเปลี่ยนแปลงหลายสรนหลายคม มันยังงั้นไม่ทันนะละเอียดมากทีเดียวเลยแตงเพียงขั้นนี้เราก็ยังไม่รู้กลมายาเข้ามาจะว่าอย่างไรละเอียดขนาดไหนมันจอมได้ทั้งนั้นนะ่ะมัต้องอาศัยทําเป็นเรื่องสองทางทดสอบความจริงเพราะทําเป็นของปิดห้เลศเป็นของปลอมมันจอมอยู่ในจิตมันแทรกอยู่ในจิตจึงต้องแยกแยะ เปิดเผยกันออกเมื่ออุบายต่างๆปรากฏเป็นความเย็นสบายขึ้นมาทีนี่อยู่ที่ไหนก็พอดูคนเราเมื่อมีความสบายเท่านั้นนั่งอยู่ก็สบายยืนก็นสบายเดินก็สบายนอนก็นสบายหิวที่เคยหิวโหวยด้วยความคิดความปรุงต่าง ๆ, ๆ่างเกี่ยวกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นโนดเครื่องสัมผัสทั้งอดีตที่ผ่านมาแล้วกี่ปีกี่เดือนมันตั้งระงับตัวลงมาเพราะ ความอิ่มทมคือความสมงบเย็นใจเรียกว่าจิตอิ่มตัวสมาธิจินททำให้จิตได้สบายเป็นตามขั้นของตนมี่พอมีต้นทุนพอจิตอิ่มตัวเมละเหเร่ร่อนไม่หิวก็หายยิงเกนเพลินกระโดดเกิอความคิดความปรุงต่างๆแล้วนำไปใช้ในทางด้านปัญญาอันเป็นฝ่ายธรรม พิจารณาขี้ข่ายหรือใครครวนไปตามทั้งภายนอกภายน์ในเทียบเทียงกันถึงเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บ ค, ความตายความพลาพลาดจากสัตว์และสังขารแย่แย่ไปดูทั้งเขาทั้งเราทั้งสิ่งที่มีวิญญาณไม่มีวิญญาตทั้งสัตว์ทั้งบุคคลเทียบเข้าในสัจธรรมคืออริยสัตว์นี่ก็เป็นปัญญา ไม่สามารถจะพิจารณาร่างกายของเมาได้เอาพิจารณาร่างกายใดก็ตามภายนอกก็ได้ภายในก็ได้ดังนั้นจะย้อนเข้ามาสู่ภายในนี้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะสัตว์จะทำความอยู่ภายนอกก็คือใจเป็นผู้ไปรู้แล้วสิ่งที่อยู่กับใจคือร่างกายของเรานี้ทําไมใจจะไม่รู้มันอยู่ด้วยกันแท้ๆนั่งก็ย้อนเข้ามารู้จุดร่างนั่นมีการพิจารณาทางด้านปัญญาถึงกาลเวลาที่ควรจะพิจารณาต้องพิจารณา ไม่ต้องถือว่าสมาธิขั้นนั้นแล้วจะพิจารณาปัญญาถึงขั้นนั้นจึงจะพิจารณาปัญญาอยากคา ก, การปฏิบัติเหมาะสมกับเหตุการใดที่จะควรใช้อุบายวิธีใดนํามาใช้ทันทีเพราะทําเป็นปัจจุบันทศตนรอนอยู่แล้วไม่จําเป็นจะต้องมาเรียงลําดับนั้นลำดับนี้ไบนั่นมันเป็นเรื่องการคาดการหมายความเพียนด้วยการคาดหมายไม่ใช่ความเพียนที่แท้จริงต้องถือความจริง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 ไม่มีสิ้นสุดปัญญาแหลคามคมกันมากน้อยเพียงไรความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตนี้ยิ่งสแสดงตัวออกปไะ <c oughs> ความซึมซาบของปัญญาก็เหมือนกับน้ําำรับน้ําิ่งไหลไปได้หมดอ่ะทุกทิศทุกถางไม่เหมือนน้ําที่ไหลลงทางต่ําสติปัญญานี้ไหลทวนกระแสก็ได้ตามกระแสก็รู้ไปได้หมดแต่ไม่ติดไม่พันพิจารณาไปไหนรู้ไปทางนั้นต่อยไปได้ทั้งนั้นอืปัญญาเป็นอย่างนั้น จึงเป็นของสําคัญมากศีล ส, สมาธิปัญญาเมื่อสรุปลงจากมรรคแปดนะ้ว่ามีสีลสมาธิปัญญาทั้งเสองข้อลองไปศีน ส, สมาธิปัญญาเนี่อยู่กับใครเวลาทีนนี้มีไว้เพื่ออะไรสีนสมาธิปัญญาก็อยู่กับเราจิเรศพราะจิตเลศอยู่กับเรา การฝึกสมาธิก็ฝึกแบบที่ว่านี้ศีลเรารักษาด้วยเจตนาอันชอบธรรมของเราอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ฟังมากมายเพราะต่างองค์ก็ต่างเข้าใจกันอยู่แล้วสมาธิเป็นความละเอียดเพราะเป็นขั้นของขั้มขั้นจึงต้องอธิบายให้ฟังให้เป็นผู้ชอบในธรรบทใดให้ยึดหลักให้ยึดธรรม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 ดังที่เคยพูดแล้วนี่พูดหลายครั้งหลายหนำทำๆสักสๆการพิจารณาร่างกายก็ดีผู้ฟังน่าจะเข้าใจน่าจะนําไปพิจนารณานได้ทอดได้วความเพราะการพิจารณานี้ไม่เพียงเราจดจํามาได้แล้วเป็นสิ่งที่สําเร็จประโยชน์ไปค่าถ้าความจริงยังไม่ปรากฏเมื่อไหร่ประโยชน์ยังไม่สําเร็จจะพิจารณกี่ร้อยกี่พันครั้งก็าตาม เมื่อยังไม่จิตยังไม่ซึ้งต่อความจริงนี้ยังไม่จักว่าได้ผลเมื่อจิตซึ้งต่อความจริงนั่นแล้วนั่นแหละเรียกว่าได้ผลพอซึ้งที่ตรงไหนมันก็ปล่อยวางของมันคําว่าอุปทานยึดมั่นอะมันยึดอะไรก็เพราะมันไม่รู้จิตกิเลสน่นะไม่รู้ไม่ใช่อะไรไม่ให้รู้ความรู้ของจิตมันรู้อยู่อย่างนี้แหละแต่กิเลสให้รู้ไปเสียแบบหนึ่งคือแบบจอมปลอม ที่เนื้อที่เลือดปลอมทำนั้นจริงถ้ารู้ตามความจริงเนื้อที่เลือตัวลมปลอมนัมม้นก็ตกไปหมดมันต้องได้ใช้การพิพจารณาให้มากจนเป็นที่แน่ใจพอมันพอตัวแล้วไม่บอกให้ปล่อยก็ปล่อยการพิจารณาปล่อยเองวางเองเพราะอุปท า, านความยึดมัน่นในร่างกายส่วนต่างๆนี้ มันจะถอนออกตัวไปหมดแล้วเพราะความรู้ชัดนั่นเองความรู้ชัดด้วยปัญญามันจะถอนไปได้ที่นี่จิตมันก็เบิกกว้างเอาไปความสว่างสวัยก็สว่างสวัยกิเลสก็เบาหลุดลอยไปเรื่อยๆจิตก็เบาขึ้นไป เ, เรื่อยเช่นกิเลสความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายมันก็หนักเท่ากับกาย พอถอนออกมาแล้วมันก็เบาอยู่วัตถุภายนอกมันก็หมดความหมากระดันตามกันกับร่างกายนี้งันจิตก็พิจารณาดื่มเข้าไปดูดดื่มเข้าไปในานา ม, มารรมลอเพาิาประสานกันทั้งจิตทั้งกายสัญญาทั้งขายันงยันอันนี้มีแต่อาการของจิต เรื่องของร่างกายก็เห็นได้ชัดรู้ได้ชัดซักแต่ว่าวัตถุหนึ่งๆเท่านั้นไม่เป็นกิเลสแต่อย่างใดเนี่ยมันรู้แล้วนะร่างกายทุกส่วนไม่ใช่กิเลสมันเป็นธาตุอันหนึ่งๆเท่านั้นมันรู้ได้ชัดไม่ใช่ตัวราคะร่างกายส่วนต่างๆไม่ใช่ไม่ใช่ราคะไม่ใช่โทสะไม่ใช่โมหะแต่ราคาระตัวสามโมหะมันไปพาดพิงมันไปแทรกไปซึมกับสิ่งเหล่า น, นี้ สิ่งนี้จึงเป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวกิเลสตัวราคะโทสะโมหะไปเท่านั้นความจริงจิตตังหากเป็นอันนี้ไม่เป็นพอพิจารณารู้ได้ชัดแล้วมันก็เห็นได้ชัดอ่ะมันเป็นวัตถุธาตุอันหนึ่งๆเท่านั้นร่างกายนี้ก็มาจากธาตุดินผสมกันกับน้ํำดินกับน้ํามันเป็นกิเลสเมื่อไหร่มันเป็นตังหาเมื่อไหร่ใจตังหากเป็นกิเลสตังหัไปเชื่อมแทรกนู้นแทกนี้ให้ผู้นั้นเป็นไปด้วยให้ผู้นี้เป็นไปด้วย ให้พู้นั้นเป็นยิ่งเรศเป็นตันหาเป็นราคะเป็นโทสะเป็นโมหะไปเพราะใจนั้นยิเรศส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ภายในใจนมันออกไปถุดไปลากให้สิ่งเหล่านั้นเป็นไปต่างพอปัญญาแทรกเขา้าที่ไหนที่ไหนสิ่งที่ประแทรกสื่มัถอยตัวเข้าไปถอยตัวเข้าไปสู่อุโมงค์ของมันแล้วก็เห็นตั้งแต่สิ่งเหล่านี้ชัดๆตามหลักความจริงมันว่าหนังเป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อ ร่างกายทุกส่วนเป็นร่างกายทุกส่วนหรือว่าจะเป็นว่าเป็นดินก็เป็นดินล้นล้วนเป็นน้ําล้นล้วนเป็นลมเป็นไฟล้นล้วนมันเป็นกิเลสปัญหาที่ตรงไหนมันไม่มีอะไรเป็งนี่มาพิจารณาลงขนานั้นแล้วทำไมจะไม่เห็นโทษของกิตกิเลสเข้าไปอยู่ในจิตนั้นมันก็ย้อนเข้าไปย้อนเข้าไปนี่แหละที่ว่าพิจารณาเพื่อตีต้นกิเลสที่มันลุกลามไปยึดเนื้อยึดนี้สําคัญนั่นมันหมายนี่ให้สิ่งต่างๆเป็นพิษเป็นภัยไปตามมัน แล้วทีนี้ก็แยกเมื่อแยกออกมาแล้วทีนต่างๆก็กลายเปงกคามจริงขึ้นมากีเลดตัวมันต่อมนก็ถอยตัวเข้าไปก็ไล่ตัวเข้าไปรอ ต, ตัวทั้งทางเวทนาเวทนาคือความทุกข์นี่มันเป็นกิเลสหรือนะมันเป็นผลของกิเลสต่างหากไม่ใช่กิเลสเนี่ยกิเลาจริงๆทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์เช่นทุกข์ในส่วนร่างกายส่วนต่างๆนั่นก็สักแต่ว่าทุกข์ตัวมันเองมันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์มันไม่มีความหมายเลยว่ามันเป็นทุกข์ ร่างกายว่ามันเป็นทุกข์ร่างกายเองก็ไม่ใช่ทุกข์มันไม่รู้ความหมายของของของตัวเองว่ามันเป็นทุกข์แม้ที่สุดมันไม่รู้ความหมายมันว่ามันเป็นร่างกายเลยมี่แต่ใจทั้งนั้นเป็นผู้ไปให้ความสําคัญมั่นหมายนี่เวลาทีจาร่าเข้าไปที่หนักมันจึงต้องย่นเข้าไปย่นเข้าไปเน้นความจริงที่ตรงไหนแล้วกิเลสตัวปลอมๆอยู่ไม่ได้ต้องถอนทับไม่ถอนทับปหลกดนี่ี่วังไล่นเข้าไปไล่ครับไป ถามหากิเลดในรูปนี้ตรงไหนก็ไม่เห็นเป็นกิเลสเป็นกิเลสปัญหาราะครับโทวสามันไม่เห็นหนีไม่เป็นไล่เข้าไปถึงเวทนาความสุขความทุกข์นี่หลือมันเป็นกิเลสมันก็ไม่ใช่สัญญาก็เป็นความเป็นเครื่องมือของกิเลสต่างหากตัวสัญญาที่กินมาเป็นกิเลสมันก็ไม่ใช่หนเวลาพิจารณาเข้าไปสู่ความละเอียดแล้วตอนมัญญามันเป็นเพได้กันหมดนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกิเลสไปหมดเพราะกิเลสส่วนใหญ่พาให้มันเป็น เหมือนกับไปทาสีไม้สีอะไรไม้มันไม่ได้เป็นสีนั้นแต่แต่เอาสีไปทามืนกับกลายเป็นสีน้ําสีนี้ขึ้นมาสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นกิเลสแต่เวลาที่เลสเข้าไปย้อมไปแฝงไปฉาบไปทาแล้วก็เลยกลายเป็นกิเลสไปหมดทีนี้เมื่อฉาเมื่อล้างนี้ออกไปแล้วไม้มก็เป็นไม้ธรรมชาติของมันสีเป็นสีธรรมชาติของมันร่างกายทุกส่วนเป็นธรรมชาติทั้งตัวเอง เมทนาคุณความสู่ความทุกข์มันก็เป็นธรรมชาติของตัวเองของตัวเองเข้าไปไเลยสังขันเพียงคิดเพียงปรุงเท่านั้นแม้แต่พระกินาศท่านปรุงได้สังขานมันไม่เป็นกิเลสถ้ากิเลสไม่พาให้มันเป็นสัญญาของมันกัดไม้ได้จําได้จําถึงนั้นสิ่งนี้ได้พระอรหันต์ท่านจําได้พุทธเจ้าท่านก็จําได้ท่านอาศัยสัญญานะสังขานนี่แหละทำประโยชน์ให้แก่โลก เมื่อท่านจิตทั้งท่านไม่เป็นกิเลสจริงอนี้มันก็ไม่เป็นมันเป็นกลายเป็นเครื่องมือของธรรมไปเสียเท่านั้นแต่ก่อนเป็นเครื่องมือของกิเลสแล้วกิเลสยึดรับเป็นตัวกิเลสอีกด้วยพาให้เป็นกิเลสพาให้เป็นตัวของมันอีกด้วยแยกก็ไปแยกก็ไปอันไหนก็ไม่เป็นกิเลสเมื่อพิจารณาท่านด้วยปัญญาแล้วทีนี้อะไรเป็นกิเลสเนี่ยนีคือปัญญาถึงขั้นละเอียดมันตามต้อนเหินเข้าไปนี่ซึ่งเข้าไปซึ่งเข้าไปซึ่งทราบเข้าไปนี่จึงเรียกว่าความจริง เห็นความจริงแนละ้วถอนไปหมดถอนไหมดถอนเข้าไปถอนเข้าไปไม่มีที่อยู่ยีเรย จ, จะไปแทรกอยู่กับรูปกับตาก็แทรกไม่ได้เพราะทำของกินเข้าถึงแล้วว่ามันเป็นความจริงของมันแต่และอย่างลอย่างเฉะนั้นไม่ใช่ยีเรศเนี่ยมันก็ไม่ติดใจตรงนั้นนั่นล่ามเข้าไปแล้วไม่ตั้งถึงตัวจิตมันไม่มีที่อยู่มันก็เข้าไปสู่จุดใหญ่ของมันเท่านั้นเองอาศัยที่ไหนก็ถูก ไล่ถูกต้อนอัไงหมดถูกปราบตามจากสติปัญญาไปหมดเข้าวเลยมันก็ินสุดท้ายก็ไปอยู่ที่จิตจิตนี่แหละเป็นตัวโทษเป็นตัวกล่าบตูนั่นตูนี้เป็นตัวยึด ต, ตัวถือจิตนี่แหละจิตนี่แหละคือกิเลสมันอยู่ในจิตก็ต้องเป็นจิตนี่แหละจิตนี่แหละเอาค้นเข้าไปเมื่อมันไ ม, ไม่มีที่พิจารณาแล้วมันก็ไม่พิจารณาอันไหนที่พอแล้วอิ่มแล้วรู้แล้ว มันสัมผัสรับปับสัมพันธ์มันติดใจตรงไหนดูดดื่มตรงไหนมันก็ต้องเข้าตรงนั้นเจาก็ตรงนั้น ส, สติปัญญาเนีแล้วมันจะหนีไปไหนอลงปัญญา ส, สติปัญญาอันเป็นความกลินเข้าไปถึงไหนแล้วกึงจนจอตอรมันต้องแตกทลายไปไหมดนี่ครับมันจะอยู่ในใจมันจะฝังลึกขนาดไหนฝังอยู่ในใจอจาใจจะพังไปด้วยทิพหาไปด้วยในการปราบขี้เหลียดซึ่งอยู่ในหัวใจนี้วไข้มันรู้ไม่สงหวน จิตจะดับไปพร้อมกับกิเลสแตกกระจัดกระจายไปก็มันดับเมื่อกิเลสก็ดับไปใจก็ดับไปด้วยมันจะกลายเป็นหัวต่อขึ้นมาก็ให้รู้เพราะเราต้องการรู้ความจริงความจริงจะเป็นอย่างไรแน่จะให้ให้รู้มันอย่างนั้นหนี่งชุดท่านก็พังจา่กิเลสท่านใจไม่ในพังนี่นทั้งหกิเลสหมดไปแล้วใจกินบริสุทธิ์ทิง เอกหายไปหมดหายหน้าไปหมดเหลือแต่ความบริสุทธ์ต้นดวนสว่างหรือไม่สว่างก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดให้เสีย เ, เวลาพอถึงตัวกินเต็มส่วนแล้วปัญหาทั้งมวลก็หมดไปเท่านั้นความทุกตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงจุด น, นี้นันเป็นปุ๋ยส่งเสริมจิตใจให้มีคุณค่าเป็นลาดับลได้ จนกลายเป็นใจที่ประเสริฐเลิเล่อเลอไปได้ดังที่กล่าวมานี้ึงขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายได้พิพจารณาด้วยความจงใจคำว่าภัยเป็นภัยแท้ยาเข้าใจว่าเป็นคุณเชื่อนักปราบอย่างพระพุทธเจ้าแล้วไม่ล่มจบแต่ถ้าเชื่อที่เลวแล้วก็ลำบากมากโดยลำดับตามความเชื่อ ที่มีหนักเบามากน้อยเชื่อทำเชื่ออย่างนี้ที่เมื่อเข้าถึงตัวจิงเต็มส่วนแล้วนั้นปัญหาทั้งมวลก็เป็นว่าหมดไม่มีเลย้ในขณะเดียวกันก็ทราบได้ชัดว่าปัญหาทั้งมวลมีมาจากอะไรก็ลงในที่เด็กโตหมด มกิเลสเท่านั้นเป็นเจ้าปัญหาเป็นผู้ยุแย่ก่อกวนนะั่นพอกิเลสทางหนึ่งไปแล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องยุยงแย่ก่อกวนร่างกายมันจะเกิดความทุกข์ความลําบากด้วยการเจ็บไข้ได้ป่วยก็รู้ตามความจริงของมันไม่ได้ระยึ์ไปถือไม่ได้เป็นความกังวลวุ่นวายภายในจิตใจเพราะความกังวลเหล่านั้นเป็นเรื่องของกิเลสกิเลสกินไปหมดแล้วก็มีแต่ความจริงมีความเจ็บปวดแสบร้อนขึ้นมาในอวัยวะส่วนใดก็รู้ว่ามันเจ็บปวดแสบร้อนก็เป็นทุกขักระ ก็รู้ตามเป็นจริงเสียโดยหลักธรรมชาติอยู่แล้วไม่ต้องไปไปเสจไปสรรอะไรมันอีกเพราะเป็นความจริงล้วนๆอยู่แล้วโดยการทั้งจิตทั้งกายนังทิพนว่าในสติปัฏฐานสี่เมื่อเข้าถึงตัวจริงเต็มที่แล้วกายก็จักแต่ว่ากายเท่านั้นเวทนาสักแจิตก็สักแต่ว่าจิตนั่นตั้งเองธรรมก็สักแต่ว่าธรรม เป็นอาการไปทั้งหมดธรรมชาติที่ไม่ใช่อาการก็เป็นตัวอยู่แล้วรู้อยู่แล้วเมื่อถึงที่นั่นเนี้ยไปไหนอีกแต่ไปที่ไหนจะอยากอะไรอีกเหมือนจิตจิตเข้าถึงความหลักสนิทแล้วจะอยากอะไรอีก คนนอนหละ่ะไม่หิวไม่โหยไม่อยากอะไรเท่านั้นต้อยหมดคนนอนหลับสนิจิตที่จิเล่มันคลิปหายไปโดยสนิกก็เช่นนดียวกันเดียวกันไม่ได้หมายถึงว่าจิเล่หลับสนิจจิเล่ตายสนิจผิด ก, กันกับคนนอนหละ่ะจิเลสก็หลับเวลานั้นจิเล่พักตัวแต่จิตที่บริสุทธินี้กิเล่ดับสนิจเอาอะไรมาห่วง อ, อะไรมาห่วง เาะส่งหล่นี้เป็นกิเลสทั้งมวลกิเลสหมดไปแล้วจะเอาอะไรมาเป็นอีกไม่เท่าไหร่จิตเมื่อจิตเป็นธรรมล้วนๆกับจิตที่มีแต่กิเลสบังคับอยู่ล้วนๆต่างกันยังไงรู้เองเห็นเองมสงสัยกันหมดสรริปโกรู้เองมาโดยลำดับลำดาตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกจนถึงขั้นวิมุตหลุดพ้น อาจจะตั้งเมตติตบวินยูหิท่านผู้รู้ทั้งหลายรู้จำพอตนคือจำเพาะนี้น่ะจำเพาะที่รู้ที่บริสุทธิ์ไม่ต้องห่วงหรือเวลานี้เรามาบวชเป็นภาพเป็นเมินที่จะทำหน้าที่เพื่อความเป็นสิดีมงคลนะ้นเป็นมีคุณค่าแก่ตนเองอยู่แล้วก็ขอให้พยายามทำเป็นทติกำลังความสามารถในเวลาที่เป็นการอันควรอย่างนี้ เพราะคำว่าการรู้คำว่าเราก็เป็นของไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลยงย่างยาผันแปรไปได้ทั้งการไปกันมากความเป็นหนึ่งกระดอนถึงการความตายไปเป็นสิ่งที่มัมีอะไรมาเป็นกําหนดกฎหมายได้เลยมันเป็นอยู่กับาธาตุกับขันธ์กับตัวของเราแต่ละท่านลท่านนี้เองมันเป็นไปอย่างนั้นแล้เคยเป็นมาแต่การในไห น, ไหนเป็นมาจนทั้งบัดนี้ยังจะเป็นต่อไปอีกเจิงไม่ควรไ่้ใจกับ อนาคตที่ยังไม่มาถึงให้ถือปัจจุบันเป็นหลักสำคัญที่จะบังเพ็ดประโยชน์แก่ตนตามที่ยังทำก็เห็นมาทุกควเึงขอยใต้เตยมทนี้